จะบอกพวกเราทาเต็มที่นะทาเต็มที่นะ ในบรรดาวันที้เดิมที่จทำไกลที่สุดวันนี้เนี่ยนจัดในแนวอ่นนอาอาตัดแจงนะของการเดินทางที่ไนะกลที่สุดแลวกานแนวแบท็อปไฟนะะไม่ใช่ท็อปวันท็อปวันนี่23กิโล จึงเราเดินมาแล้ววิงสามกิโลเมตรสามครั้งให้เตียงสี่ครั้งเฉพาะปีที่แล้วเดินที่สามกิโลเมตรถึงสองวัแต่ก็เดินจนได้จนถึงที่หมายกับทุกคนไม่เดินแรงเด็กตัวเล็กๆสามสี่ตัว Donc, tez es, tez ada, เด็กภาคกวัวคอนคนก็เดินตลอดเลยปีที่แล้วเราเดิน23กโลเมต2วันปีก่อนหน้านั้นก็เดิน23กิโลเมตร1วันพอจะถึงที่พักก็เกือบถที่ปี57เป็นศาลปิพยานตามประการเราก็ไม่เดิน23กิโลนะ ก็เหมือนการเดิน1 0 4กิโลแต่เดินไปเดินไปทางนงอกมา80กิโลแล้วก็เส้นทางแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นที่น่งวัดภูขีแล้วก็เราก็เชาๆก็จะเดินซ้ำหน่อยนดิมแต่ก็หวังว่าทางจะไม่งอกมาเป็น3่กิโแต่ก็ดีนะก็ทำให้เดินเนี่ย ได้ชื่อวรุทางงอกนะถ้าพูดถึ ง, ถงทางนอกรนะลกคนในระุ่นนี้ก็จำได้พราี่ปีห้เจ็ด<ม>เป็นตุ้นที่รักกันมากเขาทางนอกระมาไม่ได้ตั้งใจก็ถึงที่พักก็เกิดข้าวันนี้นะเรื่องอยางรอเดินอัน้นก็จะที่สามกิโลก็คงจะถึง การเช้าห้องยิงตนตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าท่าทายความสา ม, มารถของพวกเราและก็ท่าทายความเป็นนั่นหมือนใจเดียกันของพวกเราด้วยมันไม่ใช่แคทดสอบถึง กำลังกายแกำลงใจที่เข้มขังของเร า, เ ข, าของคนท่านั้นจะน่าจะพิสูจน์ถึงความสมัครีของพวกเราในคนะที่เป็นกลุก่มก้อนเดียวกันด้วยคนที่อยู่สองข้างทางเขาจะช่วยเขจะให้นานให้ข้าวกบเราแต่ว่าการจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคืออำเภอกุงเขียว เป็นเรื่องของพวกเราเดจงแต่ว่าถึงที่หมายหรือไม่ไม่สำคัญนะถ้าบอกว่าลองเรืออย่างไรคุณภาพการเดินมันสำคัญกว่าระยะทางก็เหมือนชีวิตคนนะชีวิตจะสั้นหรยาวไม่สำคัญถ้าบอกว่าคุณภาพชีวิตนะ แม้จะอายุสั้นแต่ว่าเป็นชีวที่ทำคุณงานความดีเป็นชีวิที่ผู้ตับตนเองสามารถจะเพะิ่มควารสุขสมุบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนี้ก็เธอเป็นชืวิที่มีคุณค่าเป็นค่าที่ทยืนยามแต่ว่าใช้ชีู่อย่าง ไรประโยช์ไม่รู้ว่าเกิดมานี้อยู่ไปเพื่ออะไรก็เหมือนชิ้ที่ไร้คุณค่าจะมีคุณค่า น, น, น้อยใ้วันนี้นะเราจะถึงจุดหมายหรือไม่ก็ไม่สามารถบอกว่าระหว่างที่เราเดินแต่และขั้นนแต่ละขั้นนเนี่ยเราเดินอย่างมีคุณภาพแค่ไหนนะบางคน เนีย่ยารเดินไปก็จะเดินได้แค่ช่วกลางเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะไปถึงปลายทางคือุูเขียวได้แต่ก้ก็เดินด้วยใจที่สงบนะด้วยความสุขดบายอันนี้ก็ถือว่าดีกว่ า, าคนที่เดินไปถึงภูเขียวแล้วแต่ว่าจิตใจหลดหนี คุณเครื่องนะหรือว่าคับแท่งอันนี้มันไม่ดีกับตัวเองพู้เจ้าจับเอาไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยอย่าเอาทุกมาทับของตรงแทนการเดินเนี่ยนะมันก็เหนื่อยล้าเหนื่อย อยาเอาความทุกข์ใจมาทับถมตัวเราความทุกข์ใจว่าเช่นความวิดต่ความกังวลความเครียดความหงุดหงิดนะความโมโหเราสาเดินทางจากบ้านมาที่นี่ควางคนก็เลือกที่จะไม่เที่ยวาแต่มาที่นี่ มาแล้วเนนะเอาทุกมาทับถมตนเอาทุกการเพราะว่าการเดินแบบนี้เนี่ยไกลๆก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่อย่างที่พูดเมื่อว่านว่ า, ว า, วาร่างกายของเรา่ยมันเหมาะกับการที่เราใช้แรงไม่ใช่ไม่เหมาะกับวิธีชื่อตที่เอาแต่นั่งนังนง่นอนนอนเพ ร, าร่างกายเราเป็นร่างกายของ คนเมื่อสองแสปีที่แล้วรางการของร่างกายมันเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าทำไรไถนาแบบของเล่นแรนไม่ใช่เหมาะกับชีวิตอย่างที่เป็นทุกวันนี้เพราะถ้าเราได้ออกเดินเ้่นออกไปกลๆามันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราหนบ้านก็ ยังให้เท่าไรักนะแต่อย่าให้เหนื่อยใจไปทุกใจเลยกันเพราะว่านะการทำแบบไกลนะแม่กายจะเหนื่อยนะใจจะเอาจะสร้างความทุกข์เพิ่เติมมาทับถมตนด้วยการปล่อยให้ใจจมอยู่ความเครียดความทุกข์และความหงุดหงิดการรักษาใจ ระว่าที่เดินมนเรื่องสาคัญเพราะมันจะช่วยทาให้เราไม่ออาทุกขมาทับถมตนได้เพราะถ้าเราเน่าสาใจใจไม่ไหนนะก็จะเป็นตัวการสร้างความทุกให้กับตัวเราอย่างที่บอกไปแล้วว่าอุปรสรรคที่สัมคันการเดินทงางอนิจจัไม่ใช่แดดร้อนไม่ใช่อากาศหนาวไม่ใช่ทางที่ไกล ไม่ใช่ตำแนงที่บางแต่คือจำใจที่ไม่รับการดูแลนะมันจะกลายเป็นตัวสร้างความทุกข์มาทับผมเราจะอย่าง ไ, ไ, ไรนะอย่างแรกนะก็พูดไปแล้วเมื่อวานยอมรักยอมรับทุกอย่างที่เจอเจอ ในระหว่างการเดินความทุกมันทับถมเราเมื่อเราป้อยใจฝุนโวยวายตีโพตีพสังเกตมัาจิตใจนหมุนวยวาตีโพตีพยังเราจะทุกขึ้นมันจริิีนี้ที่ช่วยใจให้ใจเนีไม่ห้่นไม่โยวายตีโพตีพัก็ตัคือยอมรับยอมรับ ก็เราไปใจปวดก็ไม่ไหวแล้วเมื um, mm. ่อไหวแล้วอันนี้ทุกเรื่องลมองเชื่อว่าออหรือทําใจใจชอบอมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาแดดร้อนอางไกลเสียงวบหรืออผู้คนที่อาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเช่นนั้น เป็นอย่างนั้นเองหลวงเ่อใท่านท่านนั้นปฏิบัติว่าเวลาเจออะไจอจะอย่าร้องโวยในใจให้ดให้ทำเสียงแบบดูโอ้ชอบโวยให้ทุกข์นะจะแต่ถ้าดึงนะจมันจะทุกข์น้อย ถ้าบอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห ว, ไไวตัวคุกเนีนะ้ซ้ำเติมตัวเองแต่เราที่ในใจเอโอเป็นนั่นแหละนะใจมันจะยอมนะใจมันจะห ย, ยุดดิ้นดิุดผักสายดุดบนแล้วจะเห็นความแตกต่างของการเดินดเนี่ยชัดเจนว่าเดินด้วยใจที่บนพึงพมอยู่ในใจอดกวัววนว่าทำไมทางมันไกล นะทำไมไม่หยุดพักสักทีน้ำไปไหนทำไมน้ำไม่ใหญ่เลยนะั่นเม่วานี่มีน้ำเย็นันี้น้ำเย็นหายไปไหนไม่ทุกเลย น, ะในใันแต่เราลองาไปเห็นนั้นแหละจำบัญดาความสุขมันแตก ต, ต่างกันเลยนะอย่างชัดเจนดร้อว่าเดิมด้วยใจที่โหน กับเดินด้วยใจที่ยอมรับใจที่ไม่ผลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับไปนะไม่โอ๊ยแต่ยังที่ชืจะไม่ใจ ย, ยอมรับได้นะก็คือรอยยิ้นะยมรอยยิ้มยยิ้มง่ายๆนะระหว่างที่เดินสังเกตว่าเวลาเดินมีร่องหน้าที่ที่ อันนี้มันสะท้อนถึงใจที่บนใจที่เป็นทุกข์แต่ว่าเพียงแค่เราฉีดยิ้มบนใบหน้านนมันช่วยทำให้ใจมัาผ่อนคลายครบกายและจใจมันสัมพันธ์กันเมือนกัเวลาที่เราเองกายเนี่ยนะผินเสาเนมันจะรู้สึกทำแบบทามัวสึดงงขึ้นมากเพราะฉะ น, นั้นเนี่ย เวลาจะตั้งใจฟังตั้งแใจทำอะไรก็ต้องให้นั่งตรงอม่อย่าพิงเสาเพราะพิงเสาแล้วไงแม่จะไม่ง่วงนะแต่ว่าท่านเนี้ยมันทำให้มันมั น, มนก็ไปเรียบความม่วงนะก็มาสู่จิตใจเวลาเราดีเรายิ้มและในที่นอนเด็กกันเมื่อเรายิ้มเราก็จะเริ่มนอะารมณ์ดีแต่ก็่อยทดลองนั้งแม่ทั้งคนที่ฉีที่แบบไม่ตั้งใจเช่น เอาเอาเอาเด็สอเนี่ยฆ่าเด็กสอไว้เนี่ยเจาปากฆ้าเด็กสาเนี่ยปากมันจะเปท้ายปล่อยยิ้มแล้วก็ให้อ่านให้คนห้ดูกระตูนตลกจะตูน้อเลี่ยนระหว่างคนที่ทำหน้าบึ้มกับคนที่ฆ่าฆ่าเด็กสอนําจีมันก็ยิ้มเนี่ยนะคนหลังเนี่ยหรือกลุ่มหลังเนี่ย จะอ่านหรือจะดูการ์ตูนได้อย่างมีรสชาติกว่าสนุกกว่านะขำกว่านัอันนี้ก็เป็นเรื่องแรงนะเปลี่ยนแค่เราฉีดยิ้มอย่างนี้ว่ายิ้มน้อยๆเนี่ยมันก็ปล่อยทําให้เราอารมณ์ดีกว่าเดิมหรือเครียดน้อยลงถ้าเวลาที่เมื่อยถ้เวลาที่ร้าเวลาที่ร้อนเนี่ยนั่งรอนลองยิ้มนิดน้อยฉีดยิ้มให้กับตัวเ่นสักหน่อย แล้วมันจะไปช่วยกรอบใจให้ดีขึ้นทำให้ใจผ่อนคลัยนะน่จะไม่มากนะแต่ว่าก็ช่วยได้ให้เว่า เ, าเดินเนี่ยลองสังเกตนะใบหน้าของเราว่ามันกำลังหน้าที่ขมวดริมฝลปากถ้าไม่ขมวดฉีกยิ้มน้อยนะยิ้มระหว่างเดินยิ้มที่กายยิ้มที่ใบหน้าจะททำหให้หัวใจใมีรอยยิ้มด้วย แล้วมันทำให้เรายอรับสิ่งที่เจอเจอสองขั้นทางง่ายๆคือประการต่อมาที่ช่วยได้คือว่าพยายามให้ใจอยกับปัจจุบันพาใจกลับไปอยู่ ก, กับปัจจุบันกับการเดินให้ได้ต่อเ น, นื่นะองเพราะถ้าเราปล่อยใจล่องลอยไปมันจะก็ไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีในอดีตบ้างหรือที่สําคัญก็คือไปจดจ่ออยู่กับปูนายไปมาข้างล่าง แล้วมันจะเริ่มบ่นว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะพัคสักทีนะเดินมาชัวโมงแล้วมันไม่พักเยมันจะบนมันจะวิ่งตกกังวลว่าแด่ไ่ร้อนแบบนี้เนี่ยหน้าเราจะมีฝ้ามัราคาก็แพงมาอะไรควรบ่นน้มันจะมันจะบ่นมันวิ่ตกกังวล จะเป็นไข้ไหเนี่ยนะเขีนที่พักเราจะเยี่ยงไหมเนี้ยแต่ว่าเดีกเกิดตัสาวม่จะัวมากจะเป็นฟ้าอนะอย่างยเแดแรงๆก็่ายเป็นฟ้านะถ้าคิดแบบลุตกแบบเนี้ยมีโอกาสเป็นสูงนะเขาเราะว่าไม่เกิดปจยพอใจลุตกกังวลเนะไอ้ระบบทางการในร่างกายก็ย่อมมีปัญหาคนที่ตกกวรจะอย่า ไ, ไป น, บบนั่งไปนี้ จะมีโอกาสเป็นได้ง่ายบางคนไม่เคยเดอนเลยหนูเจอ แ, จแอดดร้อนจะเป็นไข้แ น, นะน่พอวิตกข้าวเมียมันร่งกายมันแย่คนที่กลัวความเจ็บเนี่นะจะเจ็บกว่าคนปกติคนที่ไม่กลัวอันนี้ก็ทําวิจัยคนที่กลัวเจ็บเนี่นยกลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มจริงเท่านี้จะเจ็บกับคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่า แต่ว่าเจ็บเจ็บกายหนึ่งเท่าแล้วก็เจ็ บ, จบปอดใจที่กลัวเนี่ยสองเท่ายิ่งไม่อยากเจ็บมันกินเจ็บยิ่งกลัวเจ็บมันกินเจ็บประเด็นเนียยิ่งกลัวจะเป็นสิวเป็นฝ้าเหนียมา อ, อย่าปล่อยอาจารย์ไปตกในหลักนั้นมันไปอยู่กับนานคนก็จะมีกระบวนบาร นะด้วยการเอาจิตมาตรวจจอดอยู่กับเท้าที่กำลังก้าวเดินก็ได้อันนี้เรียกว่าใช้สมาธิช่วยจิตตรวจจอดอยู่กับเท้าที่กำลังเดินหรืออาจจะมีการนับก็เรียกทำบริกรรมคําบริกรรมเพื่อผูกจิตเอาไว้คือกับอยู่กับกายเช่นนับก้าวนับแล้วลืมไปก็กลับมานับใหม่ นับไปถึงร้อยส0งรลืกลัมกบมานักใหม่เนหรือนับหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ายขวาพุโทโคก็ได้หรือเอาจิตมีคนลองหนใจเข้าหอบเข้าหอบพุโทโคพุโทโคลก็ไดเอาจิตไปจดจอหยู่ที่เสียงกรองก็ได้แต่ว่าเสียงกรองเนี่ยจะบาเพราะว่าแถวเรายาวอาจจะถึงห้าร้เมตรคึ้นกิโลเพราะเราจะเริเด้งเดียว เพราะฉะนั้นก็เอาติดตัวจออยูลงอะไรสักอย่างลมงงหายใจทางซ้ายาาหางขวามือกันนะหรือไม่ฉะนั้นก็มันรู้สึกตัวใหญนะ่บ่อยเต็ม่อัติยา ก, การเต็ก็จะบอกเน่ยรอยยิ้มน้อยๆรู้สึกตัวใหญ่บอยอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวอยู่กับใจที่รู้สึกตัว อันนี้มันต่างจากวิธีสมาธินะนก็คือไม่ได้ไปเต้ไม่ได้ไปผูกจิตเอาไว้แต่ว่าให้จิตเนี่ยมันกลับรู้สึกตัวเองอลยซึ่งต้องอาศัยสติใจมันเปิดทิศไปนะข้างหน้าแล้วรู้ตัวหรือมีสติรู้ทันสติที่จะพาใจับมาใจมันบ่นแล้วเ ว, วิ้ววายแล้วมีสติรู้ตัวตลงไปแล้วหลง หลงฟุ้งหลงปรงหรือว่าหลงบนแล้วกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ายใจเนะี่ยมันก็จะกลั บ, บ, บ, บมาอยู่กับปัจจุบันสติมันช่วยให้ใจกลับมาอยู่แต่เพื่อเปนอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไม่ฟุ้งไปไกลมันก็จะไม่ฟุ้งไปถึงบรรลุซึ่งหมดแต่ซึ่งมีแต่ทําให้พิจ ต, ตกังวลอะไรไม่เกิดก็วางมันลงสะเปล่ จะเป็นสิวเป็นฝ้าหรือไม่มันเลื่อนข้างนามันเลื่อน้างหน้ า, น า, นาจะเยี่ยงหรือเปล่าจะเป็นไข้ไหมถึงเจอแล้วหรือเป็นยาคายว่ากันแต่ตอนนี้ไม่เป็นเราก็อยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับการเดินแล้วก็หมั่นชื่นชม น, นะสิ่งดีๆสองข้างทางบ้างจะปล่อยใจตจอยูกความปวดความเมื่อยนะแต่ในรื่เรื่อวกลับมง ที่จับมองทา่จับจัว่านอกจากให้เอาทุกมาทับผมตนแล้วก็อยากไปเสกความสุขที่ชอบทําความสุขที่ชอบทําเช่นอะไรบ้างท้องฟ้าที่สวยงามท่าเสียกภาพที่ ร, ร่มรื่นสองข้างทางมันพอมีนะถึงแล้วจะเดินบนถนนร้อยิี่มเด็ก ความจำเจิญเปิบานของผู้เดินทางที่อยู่รอบตัวเราอะมันมีความสุขให้เกิดเกี่ยวสองขั้นตอยแบบบริสุทธิ์จะไปปรวงแต่จุดหมายปลายทางมันมีอะไรดีๆให้เราเห็นให้เราชมนะให้เราเกิบเกี่ยวมากกวาที่เรืองไม่ปริสุทธความผที่ชอบทําซึ่งรวมถึงการมองตวกด้วย มองบวบเจตั้งเขสังเกตไปแล้วเมื่อสองวันก่อนเว่าเวลาเราหนาวเวลาเราปวดเวลาเมื่อยใจมันชอบไปจดจ่อยอยู่กับส่วนที่หนาวส่วนที่ปวส่วนที่เมือ่อยท่านที่มันส่วนเล็กส่วนน้อย 90% ของร่างกายเราอุ่น 10% เป็นส่วนที่หนาวจะแปลว่าใจไปจดจ่อยไอ้ด้วยที่มันหนาว ให้แรงที่อบ อ, อุ่นไม่สงคนะันเวลาเดินเนี่ยมันมีบางส่วนที่ร้อนหรือว่ามีบางส่วนที่เจ็บแต่หลาย ส, ส่วนไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมืยใจมันไปอยู่ที่ไหนใจมันไปอยู่กับส่วนที่ปวดส่วนที่เมื่อยส่วนที่ร้อนอันนี้เราหมากลก็เป็นการเอาทุกมาทับของตนอีกอย่างหนึ่งกัน จนะมีครูคนหนึงนะชูกระดาษกนะระดาษกระดาษเปล่าแล้วก็มีจัก ร, รบาลกำลันึมุนขวาให้นักเรียนชื่อเป็นเด็กวัดเด็กปฐมครูถามว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนทุกคนตอบเสียงเดียวกันเห็นจัก ร, รบาลสีดาครับครูถามต่อไปว่าได้เห็นอะไรอย่างอื่นไหมเด็กตอบว่าไม่เห็นครับ กูก็เลยถามาเราทำไมเห็นสีขาวบนกระดาษไม่เหรอใช่ไหมสีขาวบกระดาษที่มันกินเนื้อที่มากกว่ากากระบาษสีดำได้เลยแต่ถ้าที่มันอยู่ตอนหน้าเราเรากลับไม่เห็นไม่ใช่เด็กเท่นั้นเราคนเดียวก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์มหาชายนะัยเคยให้ศึกษาําข้อสอบนะแจกกระดาษ แต่ว่าข้าวเนีพอได้เวลาก็เปิดเพื่อทียบดูโจนก็ถามว่าโจนไม่มีกระดาษไม่มีอะไรแต่ว่าโจนก็ไปถากครูว่าครูนักศึกษาเห็ น, นอะไรนักศึกษเขียนในกระดาษเห็นจุดสีดำจะไม่เหาา็นอะไรหรือไม่ไม่เห็นครับอาจารย์ได้ถามแล้วนักศึกษาไม่เห็นกระดาษสีขาวเลย เนี่ยมองลเลียงเนี่ยเห็นแต่จักระดาษสีดำไม่เห็น ก, กรพรรสีขาว้าเวลาเดินเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เจ็บไม่เมื่อยส่วนที่เป็นปกติเนี่ยมันคือกรดาษสีขาวหรือสีขาวกันนะไอ้ส่วนที่เจ็บนปวดสดี UI เมื่อนี่นทกขกับกรพรรดิสีเราเลือกได้มาเจอเห็น ก, กระราดสีดำาเือเห็นสีขาวกัน พ อ, รนะ อ, อเราได้หมว่ามันเป็นประโยชน์นะของความทุกข์ความลำบากอย่างที่เราเปเมื่อวาความลำบากมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเรานะมันสร้างภูมิคุ้มกันความยากลำบากภูมคุ้มกันความไม่สบายใจให้กับจิตใจของเรา แล้วพฤติกรรมที่มีคามสุกง่ายมีความชุกเตยยาในภายภาพหน้ามีผี้หญิงคนหนึ่งนะจะชุบกลางตอนอายุประมาณสักสิบเเนี่ยก็ปวดตัวเนี่ยเป็นโรคที่หายากมาโกโรคปลายประสาทเป็นโรคกลางในช่วงปลายประสาทอ่อนง่าย โรคเนี่นะยการเนือในร่างกาทุกส่วนเลยนะมันจะเริ่มไม่ทำงานเดิ่มเป็นาการที่ไม่ไดมีแรงเดิมขึ้นบันไดไปห้องเรียนพ่อแม่พ่อต้องให้ลูกขี่คอขึ้นบันไดเพื่อไปเรียนให้สือตอนหข้งพ่อไม่แีแรงลูกก็โตต้องดิงเรียนแล้วก็เริ่มเดินไม่ได้ต้องนอนติดเตีย แล้วเนี่ยก็เริ่มลุกลนะม่ค่อยไหวนะการพิารเริ่มมีปัญหาที่สมาร์ทการหายในหายใจไ ใ, ใช้กำลเงมือน่พอโตโตั ว, ว 18-19 าหายใจจะห้งสิบเของคนปกติตอนที่เป็นในบใหม่หก็จะอยู่ได้ไม่นนเกินสแต่ตอนที่เจอตัวสาต้น แต่ทุวันนี้เราติดเตียงกินข้าวแล้วก็ลำบาขยับแขนยกมือกอ็ลำบากชีวิตเธอเนี่ยหงอกงอเนี่ยนอนกับทิ่ตียแรกก็จะยู่ตอ น, นอนรอคอยความตางเป็นภาระของคนที่บ้าจะไปไหนต้องอุ้มอ๋หรือไม่ก็นั่งรถเข็นชีวิตเธอคนยนึ่งก็รอตาง แล้ววันหนึ่งเนี่ยป้าเราพิถาเกิดเจอไอเราพิยันเกัวความเธอเกิดแรงบันดาลใจไม่มียมีความสุน่นแต่มีแนวบังดาลใจอยากจะเขียนยนินายายต้องแล้วเธอก็องลงมือเขียนนิยายเขียนด้วยปากกาไม่ได้แต่ก่อนจะพอคีย์คอมพิวเตอร์ยาแต่ตอนน้องรับคีย์ไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ ก็เธอทำหนึ่งจิ้งจกงอกดแป้นกดแป้นในโทรศัพท์มือถือที่กระตัวนี้กระตั้วกลาะเป็นคำยังขาจะเธอเขียนจนเสร็จเป็นเล่มเพราว่าขายได้ถ้าเธอเขียนเล่มที่สองเล่มที่สามมีไรายได้จากาาาาการขายนิยายขายไปจนเสร็จเเอามาเลี้ยงครอบครัว จากคนที่เป็นภาระของครอบครัวกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอเขียนยายมาสิบสี่เล่มพี่ยาเ่เธอมันเป็นพี่ยายที่ทำให้คนอ่านมีความสุขแต่โกวเธอเนี่ย น, ะนอนติดเตียงก็ต้โงรู้ชตาไม่หลักลายเป็นเสาหลักครอบครัววอาอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยที่บ้านได้มาจากค่าเร็สิทธิ์ของเธอส่งเสียน้าเป็นัสือ พ่อตายแล้วแม่ตกงาก็ได้จับค่ามรดสิทธิ์ให้ามายึดขรอบคุณที่เราจะพูดก็คือว่าเธอเนี่ยสามารถอยู่ความเจ็บปวดได้ด้วยใจที่ปกติมี่คนไปสัมภาษณ์เธอเธอบอกว่าความทุกขเนี่ยนะมันแท้อะไรกับเราเมื่ความสุข ความสุดจะไม่ใจเราทุกข <Well, S 1> <honestly, S 2> right. ์ละองรอนแต่ความทุกเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ความเป็นจริงซึ่งดีกว่ความทุกข์ร้องรอนมากเลยจะอยู่ความทุกข์ได้ก็รด้แต่ถ้าความทุกขมันให้อะไรกับเธอได้มากกว่ความสุดอันนี้เรียกว่าผ่านบททดสอบที่พระเจ้าไปบอกจะเอาทุกมาทับถึงตน ป่วยกายแ่ว่าใจมันไม่ป่วยเท่าหร่เพราะอะไรนะเพราะเห็นประโยชน์ความทุกข์คือมองทุกข์ในแง่บวกซึ่งเป็นการมองความเป็นจริงอย่างนี้งั้นเวลาเจอความทุกข์เนี่ยเคเจอความเรียบา่ายเจอความร้อนเจอความเหนื่อยจ้ะหรือเจอเส้นทางที่เหมือนกันตารนี่ปะลองมองบวกเข้างนั่นเจส20กิโลน้อยกว่า ปริทนเยอะเลยนะปริทนเกิเนสองที่สองพันเราได้ยี่สิบเนี่ยนี่ก็มองหัวไงหรือว่ามันเป็นเครื่องฝึกใจจุดใจดใเราให้เข้มแข็งมนสตินะความระบาป็นอาจานที่สอนทำให้กับเราให้ไม่ยอามองหัวถ้าลองฝึกจนะมองหัวดูใจที่จะมอ ง, งสีดำใจก็ห อ, อเดี๋ยวเองมองขึ้นฟ้าา เนะ่ฟ้ า, นะานี่สีกลางใสเหอนเรฆลอยเบาๆจะนอนใจเราให้ให้เหมือนเมฆนะบางนเบาก็ได้จะไปมองแต่พื้นแล้วก็ขอเอี่ยวก็เป็นาาสีกันนะมองฟ้าที่นะสวยงามแต่วันนี้จะได้เห็นฟ้าไม่ดีนะเพราะว่าวือถ้าจะมีเมฆเยอะ าก็ดีนะมีเมฆเอินจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมอ่าไมมีเมฆไม่มีเม์มีลมาไม่มีเ ม, เ ม, ม, ก, เมก็เดิดได้อ่าสบายเพราะว่าไม่ร้อนมากไม่มีเมฆฟ้ากระใสแจ่มสวยอ่เราก็ได้อ่าชื่นชมความสุขเก็บเกียวความสุขที่มีรอบตัวและเหนือเหนือตัวเราแล้วก็อย่างอย่างที่อยากจะทอยากจะย้อมนะอยากจะแน็คกู จะปล่อยวางปล่อยวางอย่างแรกก็คือปล่อยวางจุดหมายปลายทางหรือว่าไปเลยนะถึงเมื่อไหนไม่าชอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางก็ดีปล่อยวางนาฬการที่มันรอยอยู่ที่กรุงเทพวางมันลงและที่นในปล่อยวางที่ปล่อยวางความเจ็บความปวดความเพลียของการใจจะเป็นแพ เหมือนหน้าแบบที่หนหนาที่ไหนความปดความเมื่อยของตจะแบกบเ ม, ม่อไหร่ลืบมาเมก็เรียกว่าทับมตรอาทุกประทับตรงๆปล่อยว่าจะจำจะไม่ยอมปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันช่องมันไม่ช่องอะไรให้แบบของหนักจะวางท่าเดินเลยนะตอนนี้เนี่ยอยากจะวางเป้เดินไม่สั้ขๆอยากจะวางเป้เปอะ แต่ใจมันมันแฝงอยู่เรื่องเลยไอ้เป้นี่มันจริงมน้าแบงแต่ก็มีของดีๆในนั้นนะน้าโมโหน้าแหงนัแต่ความโกรดความเรื่องมันน่าโมหน้าแหงที่ไหนนะมันหน้าแบงที่ไหนแต่เราก็ไม่แฝงนะนะด้วใจปล่อยวางเดินด้วยใจปล่อยวาง อันนี้เป็นหัวใจของการเดินธรรญาตาิกาเดินไปข้างหน้าดืวยใจจะปล่อยวางจะทํานั้นได้นยต้องหนกกันกับมาดูใจเสมอเพราะถ้าไม่ดูใจใจมันจะแบบเดินไปข้างหน้าแล้วย่าลืมหันกลับไปดูใจเรานะให้ใจเรายอมรับทุกอย่างที่เจอบนเส้นทาง ให้ใจเราู้จับมองบวกบ้างให้ใจเราผู้จับปล่อยวาบ ง, นะงบ้างสําคัญมากเลยคนระับเดินไปข้างหน้ากายราเดินข้างหน้าใจแห่งกรรมมาหลุใจแล้วจะเดินเล่นใจสบายยังแม้ต้องแบกกายที่เป็นของหนักไปข้างนานต่างๆอันนี้แหละคือ เคล็ดับนะในการเดินทำให้ยากตานะไม่ว่าจะถึงเป้าหมายหรือไม่นะแต่ในทำให้การทีเราลงคุณแบาพคือมีความสุขปล่อยวากงการรับสมัคก็ถือว่าเราคือเป็นการบ้านเป็นเป็นการบ้านที่เราลองใช้ที่แนะนําำ ม, มาเป็นประโยชน์น่าจะเป็นการยรมรับการยิ้มนะการมองบวกการปล่อยวางการหันกลัไม่ป็นปัจจุบัน สมมติเร่เกิดขึ้นได้เพเราสำรวกายสจใจห่อยๆสมรวจกาว่านหน้านี้คือขโมดไหมลองฉีกดูสักหน่อยสมรวจใจว่ามันแบกอะไรามันโกรธอว่าติดโติดพา น, า อ, น อ, ลลองว่ารุนแรงเราทาดูแล้วก็ให้คะแนนตัวเ่าถึงคูเขียน้นะเดีด๋ยวจะถามว่าให้คะแเท่าไหร่เอาละชาวทีเ่เขามีกลับาของกลา